อาจารย์ครับกับนวัตสการครับอ่าเจรรญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์ใช้レスโซลูชันเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยยี่สิบจริงๆพระอาจารย์ใช้ไฮเดฟได้เลยนะครับวันนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านกับพระอาจารย์อ่ากลัวเดี๋ยวมันจะอาจจะทําให้คนอื่นอาจจะดูแล้วมันอาจจะกระตุกก็ได้มึงถ้าเครื่องถ้าอินเทอร์เน็ตเขาช้ามันอาจจะ ถามันอจะค้างได้ครับผมโอเคครับแต่ตอนนี้ก็ชัดดีครับอาจารย์ครับอือาจารย์วันนี้มีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้มีประมาณสี่ร้อยสิบคนเมื่อวานนี้มากเมื่อวานนี้วันพระวันนี้วันพระห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ารับต่างกันรอยวี้สี่รอยครับ อาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่125นะครับอาจารย์ครับก็ผมตั้งชื่อเองว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับอาจารย์อยากจะทราบความหมายจริงๆจะคาคํานี้เพราะว่าได้ยินคําสอนนี้มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆครับอาจารย์ครับกับมาความไม่ตาครับความยินความหมายผู้ประพฤติเพื่อประพฤติธรธรมนี้ก็คือใจไม่ใช่น่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจ ที่ใช้ในการบระพฤติ ธ, ธรรมนั้นผู้ที่รับประโยชน์จากธรรมก็คือใจแล้วก็ป้องกันภัยที่มาลุกที่ลุกลานใจก็คืออบายถ้ามีธรรมแล้วก็จะไม่ตกไปในอบายผู้ผู้มีประพฤติ ธ, ธรรมก็จะรักษาศีลรักษาศีลภาวนาถ้าถึงได้ทำขั้นสูงสุดก็พ้นภัยของการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอันนี้คือความหมายของของภัยที่มาลุกรานผู้ประพฤติธรรมไม่ใช่ที่ร่างกายไม่ใช่คิดว่าเป็นปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตา ย, ยาก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ภาะบางรูปท่านบนรรลุธรรมในในขณะที่ถูกเสือคาบเนี่ตายในปากเสือ ใจของท่านไม่ถ้่ใจของท่านไม่มีภัยมาคุกคามใจท่านไม่ต้องกลับมาเกิดตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายนั่นคือความหมายภัยที่มาภัยของใจก็คือการต้องไปเกิดในอบายเพราะอบายมีแต่ความทุกข์แล้วอีกการหนึ่งก็คือภัยที่เกิดจากใจก็คือที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่จะเกิดใน สุกติมันก็ยังต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าได้ปฏิบัติทอถ้าได้ทำขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันนี้ก็จะพ้นภัยจากอบาอสมณะพันมาเจอใครข้างบนแล้แล้วก็ถ้าได้ทำขั้นสูงสุดก็จะพ้นภัยของการเป็นว่ายตายเกิดงั้นอย่าไปคิดว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะปลอดภัยจาก ภัยทางร่างกายร่างกายก็ยังต้องเจอกับสภาพต่างๆขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติด้วยว่าอประพฤติตัวรอบขอบไห ม, มอมีความระมัดระวังมีความรู้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปหรือไม่อะไรทั้งนีน้อันนี้ก็มีส่วนที่จะทําให้อภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายน้อยลงเช่นผู้ประพฤติ ทำก็จะไม่ไปตามที่อโคจรต่างๆไม่ไปตามบาทําขับตามอสถานบันเทิงต่างๆ ม, มีข่าวอยู่เรื่ยๆมาตายตามสถานบันเทิ ง, งแทบทุกคืนอย่างนี้นถ้าไม่ไปตามแหล่ ง, งนี้มันก็จะไม่มีทุงผูกขาโดยหลักลว่าหมายถาึงภายทางภายทางจิตใจธรรมะปกป้อง จิตใจไม่ได้ปกป้องร่างกายเพราะร่างกายมันอยู่ภายใต้กฎตายลักอันนีจ้จำทุกขังอนัตตาแม้แต่ร่างกายพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นความตายพระโมคคัลลานะก็ไม่พ้นความตายท่านก็ถูกกรรมของท่านเป็นผู้มาอามาทําให้ร่างกายท่านตายกรรมเก่าท่านยังมีอยู่แล้วพอเวนพอเจ้ากรรมในเวนมาพบเข้าเขาก็เลยมาจัดการกับร่างกายของท่าน แต่ใจของท่านไม่เดือดร้อนใจของครับอมอกกรานะเฉยๆถึงแม้ท่านจะมีทีวิตปฏิหารท่านก็บอกไม่ใช่มันเพราะหนีกรรมไม่ได้หนีไปวันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่มีทรรเดียวที่นจะหมดกรรมก็ต้องให้กรรมมันเกิดผลขึ้นมาเกิดวิบากขึ้นมาท่านก็เลยไม่หนีท่านก็เลยไม่ใช่ทีวิตปฏิหารห่อเหนินเดินอากาศเรื่อดำดิ่มน้องหนนหายตัว เรื่องทางร่างกายนี่เป็นเรื่องของกดตายละ่ะอันนี้จำไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ันดีคนดีก็ตายเมื่อสองวันนี้ผู้ใหญ่บ้านที่ไปบินาบาดบ้านบาดก็ตายอายุก็ยังไม่หกสิบห้าสิบกว่าถึงจะเป็นจเจะติดตันที่ในสมองเลยรทำนองนี้ อันนี้มเป็นเรื่องของร่างกายครับตายได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเมืถึงเวลาที่มันีป้องตายมันก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาจะต้องเกิดภั ย, ยต่างๆมันก็มันก็เจออืมงูพงร่างกายเนี้ไม่ใช่เป็นผู้ผู้ผู้รับการคุ้มครองของธรรมผู้รับการคุ้มครองของธรรมก็คือใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติทางแลวใจก็จะมีทำคุ้มครองเช่นถ้าปฏิบัติเมตตาได้ก็มีอ น, นิสงสิประการจากการปฏิบัติเมตตาธรรมจะเป็นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีแต่คนรักคนชอบจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่มีใครมาฆ่าเพราะว่าไม่ได้ไปทําให้ใครโกรธเกลียดทำทําแต่ให้คนเขารักคนมีความเมตตาเทวดาจะคุ้มครองรักษา แล้วก็ถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติถ้ายังไม่ถึงพานพิพานก็จะไปเกิดในสุคติชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็เวลาภาวนาจิตก็จะสงบง่ายนี่คือผู้ประพฤติธรรมก็จะได้นอานิสงส์ผู้ปวิบัติธรรมก็จะมีความเมตตาเป็นพื้นฐานเมตตาบา ร, รมี ก็จะมีทำคุ้มครองได้ในระดับหนึ่งแต่ทำที่คุ้มครองอย่างเต็มที่ก็ต้องระดับปัญญาบรรลุโลกุตตละมรรคผลนิพพานบรรุเป็นพระโสดาบันก็ปิดประตูบานได้ถ้าบรรลุพระอรหันต์ก็ปิดประตูของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่นอกกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในใตายเพราะิต่อไปนี่คือ ธรรมที่เราจะได้อันมิสง์ของธรรมที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมจิตใจของเรามันเป็นเป็นตัวที่มีปัญหาไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายกันทุกคนแต่จิตใจเราไม่ยอมหยุดเพื่อมาเกิดทันทะีเนี่ยพอมาเกิดก็ต้องมาเจ อ, อความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันต้องหยุดความเกิดให้ได้ด้วยการมาพูิปฏิบัติธรรม ครับอาจารย์ครับเ อ, อผมเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าคนที่ประพฤติ ธ, ธรรมบางทีไปเจอเรื่องราวเดียวกันกับคนที่ไม่ประพฤติธรรมแต่ว่ามีความทุกข์ที่น้อยกว่าเขาเพราะว่าธรรมะรักษาอยู่ที่ใจเราอย่างนี้ผมเข้าใจได้ถูกต้องครับถ้าทางด้งนานจิตใจก็ถูกต้อง<ม>คนที่มีธรรมะจะไม่ค่อยชุกขกับเหตุการณ์ตา่างๆเพราะใจจะสงบมากกว่ามีสติมีอุเบกขามากกว่าก็อยูกาบระดับของอุเบกขาว่าไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่ จะนเป็นพระโสาบันถ้าเป็นพระโสดาบันไปเจอความตายก็เฉยเฉยไม่ไม่ทุกข์เลยเวลต้องไปเผชิญความตายในเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์เพียงแต่ต้อถ้าดูแลรักษาได้ก็ดูแลไปป้องกันได้ก็ป้องกันไปอาจจะไม่มีความทุกข์อืครับนี่ทํารักษาใจของพวกประพฤติจริงๆนะครับอาจารย์ครับใช่ ไม่ใช่ร่างกายแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผิดปฏิบัติธทรมแต่โดยเขาป้นบ้างโดนเขาทําร้ายบ้างอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ไม่ควรจะไปอยู่ก็ได้หรือนนเป็นจังหวะที่เราไปเจอกับโจรผู้ร้ายก็ได้หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้อันนี้เขาก็ทําได้แต่เพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นแต่ถ้าเราใจเรามีมีธรรมใจเราก็จะไม่ทุก ใจเราปร่งได้ยอมรับกับสภาพเหตุการณของร่างกายว่ามันไม่เทียมมันจะต้องเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งจากโรคภัยไข้เจ็บจากการเลื่นหกล้มจากการประสบอุบัติเหตุมันมีหลายเหตุที่ทําให้เจ็บได้หรือในโลกนี้ดหนีไมครับได้ยินบ่อยเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าโอ้คนนี้เขาก็เป็นคนดีไม่น่าเจ็บไม่น่าป่วยไม่น่าตายแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่ น, นี่เป็นความเข้าใจผิดของผมเยอะเลยใชครับครับ พ่าใจเขาอาจจะไม่ทุกกับการความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็ได้หรือทุกน้อยกับคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะใจเป็นของที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราจะสามารถประเมินได้นอกจากดูกิริยาการที่สแสดงออกมาทางร่างกายคนที่มีธรรมมักจะสงบเย็นกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ จะขอโอกาสถามคาถามจากเพื่อนบ้างนะครับคุณแว่นครับาการฝึกทําอานาปานาสติหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกสั้นรู้หายใจเข้าสั้นรู้กับการภาวนาพุโทโธควรเลือกทําแบบไหนจิตจะถึงจะตั้งมั่นได้ครับได้ทั้งสองแบบแล้วแต่เราจะเราจะถนัดแบบไหนถ้าเราชอบคําบริกรมรมแล้วก็บริกรรม เวลาที่ไม่ต้องไม่ต้องดูลมเอาอย่างเดียวเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันถ้าเราชอบคําบริกรรมแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปตามความความถนัดของเราบางทีอยากจะช้าก็ได้บางทีอยากจะเร็วก็ได้เพราะบางทีจิตอาจจะฟุ้งมากก็อาจจะต้องเร็วหน่อยเพื่อระงับความฟุ้งถ้ามันไม่ฟุง้งก็มันสบายๆก็อาจจะพุโทโธแบบสบายๆไปก็ได้ หรือถ้าเราชอบดูลมเ้าไม่ชอบความบริกรรมแล้วก็ดูลมหายใจก็จะให้ดูที่ปลายจมกูกอยู่ที่มันเข้ามันออกแต่อย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับให้หายใจยาวหรือหายใจสั้นให้ให้มันหายไปใ ห, ให้มันหายใจตามธรรมชาติเหมือนที่เราปล่อยมันตลอดเวลาเนี่ยเราทั้งวันทั้งคืนนี่เราไม่จะไปบังคับลมหายใจนะบางทีมันก็หายใจสั้นหายใจยาวก็ อ, อยู่ว่าร่างกายเราทําอะไร ออกําลังกายมันก็จะหายใจสั้นเพราะมันต้องสูตรลมเข้าเยอะแต่พอไม่ได้หา พ, อ, พ อ, ออกกาลังกายนั่งเฉยๆเรือ่อนอนนี่มันก็จะหายใจยาวอันนี้ก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของของขอ ง, ของลมไม่ให้ไปควบคุมบังคับลมเพราะจะเป็นการทํางานของใจการจะเข้าสมาธิได้เราต้องการหยุดการทํางานของใจการไปควบคุมบังคับลมให้หายใจลึกๆยาวๆ เงี้ยเรเป็นการทํางานเราต้องปล่อยเราเพียงต้องการใช้ใลมเป็นที่เกาะให้ใจมีที่เกาะไม่ให้ใจมันลอยไปกับความคิดต่างๆทั้ททนั้นเองครับรครับพระอาจารย์ครับมีสาสตร์ของพวกหรือสีหรือของฝรั่งปัจจุบันนี้ก็มีนะครับที่เขาสอนบอกว่าให้หายใจเข้าสี่วิแล้วหยุดหายใจเจ็ดวิแล้วปล่อยหายใจออกแปดวิอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นการบางรังคับลม อันนั้นก็เป็นวิธีของเขาก็อ า, อาจจะช่วยบรรเทาความเครียดหรือความเมื่อสติกลับมาได้แต่จะไม่สามารถเข้าฌานได้ดนั่นเองก็เป็นการทำสมาธิระดับหนึ่งคือให้มีให้มีอะไรทำจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาบันนีคนกลัวมากๆก็บอกให้หายใจใหายใจลึกๆหายใจ ย, วยาวๆหายใจให้ดูลมหาย อันนี้ก็เป็นการระงับความเครียดได้ในระดับของความเครียดแต่จะไม่สามารถทําให้ใจ่ายรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิได้คุณดําครับพระพุทธเจ้าตัดสรู้อริยสัจ4ี่หรือตัดสรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับคือโดยหลักแล้วท่านตัดสรู้อริยสัจสี่ การค้นพบความทุกข์ของใจเกิดจากกัรหาความอยากของใจและการที่จะยุติความทุกข์ในใจได้ก็ต้องละตัณหาและการที่จะละตัณหาได้ก็ต้องมีมรรคคือมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาส่วนปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าดูการทํางานของใจในใจเราเนี่ยมันก็เป็นทํางานแบบเป็นเหมือนกับ เหมือนกับการการเดินทางจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่ก็ต้องผ่านาผ่านปฐุมก่อนแล้วก็ผ่านอายุทยาผ่านอ่างทองผ่านท้าน้าผ่านอะไรไปการทำงานของใจก็แบบเดียวกันใจจะเริ่มต้นด้วยความคิดก่อนสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วความคิดปรุงแต่งนี้ก็มีมีผู้ผักดันให้คิดก็คืออวิชา อวิชาก็คือกิเลสคือความหลงที่ไปคิดว่าที่ไปเห็นว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยทำให้ใจเริ่มคิดปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรสพอคิดปับ๊บวิญญาณก็ต้องรับรับหน้าที่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาใ ห, ให้ให้ใจเสพวิญญาณเป็นตัวไปเชื่อมตาหูจมูกลิ้นกายพอวิญญาณไปเชื่อก็เกิดนามกับรูปขึ้นมานามก็คือ นามก็คือใจนามขันเนแล้วก็รูปก็คือร่างกายอพอพอมีร่างกายแล้วมันก็เลยมีอายตนะหนาหูจมูกิ้นกายแล้วก็มีไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสทศภาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสทศภาสั้นก็เกิดความรู้สึกเวทนาขึ้นมาในใจเกิดความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเจอรูปที่ถูกใจก็สุข ถ, ถ, ถ, ถ้าเจอรูปที่ ไ, ไม่ถูกใจก็ทุกขถ้าเจอรูปที่เป็นจัางๆไม่ไม่ถูกใจแล้วเพราะแล้วถูกใจมันก็เฉยๆก็เกิดเวทนาเฉยๆกลางๆพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาเห็นรูปที่ชอบก็ทําไงอยากจะได้ใช่ไหมเจอคนที่เห็นแล้วเราหลรักเราชอบไปจีบก็ล้ไปงอไปอะไรออันนี้ก็เกิดจากตัณหาความอยากเอันอแล้วพอ พอไปได้เขางาก็เป็นได้อุปทานไปยึดมั่นถือมัน่นไปหวงไปหึงไปหวงอยากให้เขาอยู่กับเราไปไม่อยากให้เขาจากเราไปนครับพอเขาจากเราไปนี่เราต้องจากเขาไปเราก็มีภาวะอยากจะกลับมาหาเขาใหม่ไปเกิดพบใหม่ครับไปทําต่อใหม่ไปหาความสุขไปหารูปใหม่ต่อพอมีพบมีพบใหม่กม็มีชาติมีชาติมีการเกิดขึ้นมามีการเกิด พอมีเกิดก็มีแก่เมจิตมา้ตาตามมา่นี่คือเส้นทางของของการดําเนิน ง, งานของใจที่มีกิเลสเป็นผู้คร อ, อบครองอยู่แต่ถ้าใจมีธรรมะใจก็จะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่ไปเสพหยุดสังขารเข้าสมาธิเข้าฌานแทน้าความสุขจากธรรมใจให้สงบก็จะหยุด การส่งกระแสของวิญญาณไปหารูปเสียงกลิ่นรดถ้าอยู่ถ้าติดอยู่กับร่างกายก็ถอนกับถอนออกมาเวลานั่งสมาธิมั น, เ ป, นเป็นการสวนทางสวนกระแสไงกระแสกิเลสสั่งให้ใจออกไปหารูปเสียงกลิ่นรดทางตาหูจมูกนิ้งกายกระแสธรรมบอกให้ดึงกระแสของใจกลับเข้ามาข้างในให้เข้ามาสู่ความสงบแล้วก็จะพบความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการรปเสพรูปเสียงกลิ่นรด เล้วก็จะไม่ทําให้ไม่ต้องมีอุปทานไม่ต้องมีภาวะไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาต่อไปหยุดความอยากคุณจอยครับถามสองคำถามครับคําถามที่หนึ่งเดินด้วยสติกับเดินจงกรมต่างกันอย่างไรคะต่างกันตรงที่การเดินจงกรมสามารถหยุดเดินเพื่อพิจารณาธรรมได้แต่เดินไปไหนมาไหนด้วยสติไม่สามารถหยุดเพื่อพิจารณาธรรมได้ใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่หรอกการเดินจงกมก็คือการเดินด้วยการมีสติคือการเดินจงกรมนี้มีมีเป้าหมายอยู่สองสองเป้าหมายด้วยกันแล้วแต่เราอยู่ในธรรมขั้นไหนถ้าเราอยู่ในธรรมขั้นสมาธิเราต้องการฝึกสมาธิเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการเดินจงกร ม, มเดินไปก็อย่าให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนบังคับให้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ได้อยู่กับการเฝ้าดูการเดินของร่างกายเช่นดูที่เท้าขวลาเดินก้าวเท้าซ้ายก็รวซ้ายขวาซ้ายขวาไปอันนี้เดินเดินด้วยเดินเดินเพื่อให้ให้ใจมีสติให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆแต่พอเราได้สติสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้แล้วที่ถ้าเราอยากจะไปทางปัญญาเราก็เดินเดินเพื่อพิจารณาธรรมเช่นพิจารณาอสุภะอย่างเงี้ย เดินไปก็พิจารณาดูอาการสาสิบสองของร่างกายว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างหรอนอกจากภายนอกที่มีผมขนเล็บฟันหนังแล้วภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีม้ามมีตับมีหัวใจมีพังผืนมีปอดมีมีตับมีไตมีลำไส้อะไรต่างอันนี้พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาดั้นเดินจงกรมนี้สามารถเดินได้สองประโยชน์ด้วยกันเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิก็ทําได้สองประโยชน์ นั่งเพื่อให้ใจสงบอันนี้ก็นั่งเพื่อสมาธิถ้านั่งเพื่อให้เกิดปัญญาก็นั่งไปแล้วเวลาเจอความเจ็บก็พิจารณาความเจ็บไปพิจารณาเมตนาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเลาควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้าอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายเจ็บก็จะทุกข์ไึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมให้มันเจ็บไปถ้ามันจะเจ็บใจก็จะไม่ทุกข์ อันนี้ก็เป็นปัญญาหรือวิปัสสนาเพราะฉะันการปฏิบัติมีสองระดับไงระดับสมถะทาทใจให้สงบถ้าทําใจให้สงบ น, นี้เป้าหมายก็คือหยุดความคิดไม่ให้คิดอะไรเลยเพื่อให้ใจเข้าฌานให้ได้ก็อัปปนาสมาธิแต่พอได้อัปปนาสมาธิแล้วถ้าต้องการปัญญาก็ต้องคิดแล้วแตนี้แต่คิดไปในทางธรรมคิดพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายนี้ กแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสอนใจให้ยอมรับความจริงเวลาร่างกายเจ็บก็ต้องพิจารณาเวทนาว่าเวทนามันก็มีมีเจ็บไม่เจ็บมีกลางๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไม่เจ็บก็จะทุกเวลามันเจ็บถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันเจ็บไปยอมรับความเจ็บอันนี้ก็การพิจารณาเวทนา แล้วถ้าพิจารณาจิตก็พิจารณาดูว่าจิตเราก็มีอารมณ์แปดปวนไปบางครั้งก็สงบบางทงก็ฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆถ้าเราอยากจะให้มันสงบเวลามันฟุ้งซ่านเราก็จะทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าะมันฟุ้งซ่านเราทําให้มันสงบไปนั้นก็ปล่อยมันฟุ้งไปให้เรารู้เฉยๆไปรูด้ด้วยอุเบกขาเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเข้าใจไหนี่คือการใช้ปัญญา การปฏิบัติมีสองระดับในส่วนใหญ่สำหรับญาตโยมนี่รับประการนี้อยู่ระดับแรกนั่นก็คืออยู่ระดับสมาธิถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิยังเข้าฌานไม่ได้ยังไม่มีอุเบกขาเนี่ไปทางปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะจะไม่มีกาลังที่จะรับกับเหตุการณ์แล้วเฉยเฉยได้รับกับความเจ็บแล้วเฉยเฉได้รับกับความฟุ้งซ่านความเครียดแล้วเฉยเฉยได้จะดํามเล่นหาหนีทันทีนะ เจอความเครียดก็ไปเที่ยวท่านหน่อยกายความเครียดทํางานนั่นมันเครียดอย่างนี้นรืออะไรทำรองนี้่ถ้ามีมีอุเบกขาก็ทําใจเฉยๆมีปัญญาก็ต้องยอมรับวา่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็สงบบางทีมันก็เครียดก็รับรู้ไปถ้ารู้สาเหตุของความเครียดหยุดมันได้ก็หยุดไปถ้าหยุดไม่หน้าก็ ปลยให้มันเครียดไปเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าเราเฉยๆกับมันไปเหตุที่ทำให้มันเครียดหายไปมันก็จะความเครียดก็จะหายไปเองคำถามที่สองครับ ร, ระหว่างเดิน <c oughs> ระหว่างเดินจงกรมการพิจารณาธรรมจําเป็นต้องหยุดเดินไหมคะหรือยังคงเดินจงกรมไปพร้อมๆกับพิจารณาธรรมได้ครับน่าแต่ความถนัดเดินไปพิจารณาได้ก็เดินไปท่านบางครอบต้องพิจารณาลึกซึ้งหน่อยก็อาจจะยืน พิจารณาอยู่ีก็เรียกยืนลำพึงยืนลำพึงพิจารณาเพราะบางทีต้องใช้ความใช้สติใช้ความพยายามมากถ้าเดินไปด้วยมันอาจจะทำให้คิดไม่คิดไม่ได้ละเอียดพอก็หยุดคิดหยุดเดินแล้วก็ยืนพิจารณาให้จนกระทั่งเข้าใจแล้วก็ค่อยเดินต่อไปคุณจอยครับสำหรับคนแพ้ยุงคือยุงกัด จะมีเรีแอคชั่นมากบวมปูดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทคันแดงมากเก่าแล้วทําให้ผิวหนาอักเสบเน่าตามมาค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วโดนยุงกัดหนูจะฟุ้งซ่านกลัวยุงนําโรคด้วยคิดถึงตอนพระอาจารย์เดินลงเขาแล้วงู ก, กัดแต่พระอาจารย์ทิ้งร่างกายได้เพราะเป็นพระรยะแล้วแต่หนูเป็นปุถุชนควรทําอย่างไรคะมี2ข้อครับข้อที่1ทําใจคือวางใจทิ้งกายทนให้กัดต่อไปแต่แล้วยุงก็เปลี่ยนจุดกัดร่างกายไปจุดใหม่ หรื อ, อควรหาทางป้องกันเช่นใช้ยาทาการยุงนั่งในมุ้งเปิดปิดมุ้งด้วยความระมัดระวังครับถ้าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอก็เราก็ต้องใช้วิธีป้องกันใช้ข้อที่สองใช้ยาทาการยุงนั่งในมุงม้งอะไรเป็นต้นเพื่อกันไม่ให้ยุงเข้ามากัดเราเพจะได้ไม่มีอุปสรรคในการภาวนาแต่ถ้าเราภาวนาไปแล้ว่างจิตเรามีพลังมากมีสติมีสมาธิมากมพามอมไม่เบีขาแล้วมันก็จะปล่อยวางได้ อาจารย์ครับตอนที่ขึ้นไปบนเขารอบล่าสุดเนี่ยครับผมก็ไม่กังุงนะครับอาจารย์จนกล่าวว่าจะอดทนแต่จนห้าทุ่มก็ต้องกังุงครับอาจารน์น <laughs> ยุ่งกัดยุ่งกัดเยอะเลยข้าวโพดใน <c oughs> ช่วงฝนเราคิดว่ามันกังวลการทดสอบอุเบกขาของเราว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่อุเบกขาได้ถึงห้าทุ่มครับอาจารย์ก็ยังดี ขึ้นไปบนเขาได้ก็แสดงก็ต้องมีอ e ูเมลยแ บ, บค้าแน่ระดับหนึ่งนะเพราะบางคนนี่ขึ้นไปอยู่ได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมอ ง, องพอตกมืดขอกลับบ้านนั่งอยู่ไม่ได้ใจป่วนมาเลยคลิกฟุง้งซานครับคุณดําครับทําไมเทวดาถึงอยากเกิดเป็นมนุษย์ครับแต่มนุษย์ตายแล้วอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาครับเออ ทุกคนเนี่ยที่มาเกิดนี้อยากจะมาเสพการมและการจะเสพการมได้ที่สมบูรณ์ก็คือการเป็นมนุษย์แต่การไปเป็นเทวดานี้มันเป็นผลผลด้จากการที่ช่วงที่เราเป็นมนุษย์เราทำความดีเราทาบุญทากุศลเวลาเราตายไปเราก็เลยไปรับรางวัลไปเป็นเทวดาอยู่ชั่วคราวพอรางวัลที่เราได้รับหมดไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อเรามาเสพโลกธรรมใหม่มาเสพลาบยศสารเสริญ ส, สุขใหม เพราะขนาดที่เป็นเทวดานี้เราเสกไม่ได้เราเราหาไม่ได้เราต้องใช้บุญเก่าย ก, กินบุญเก่าไปเในขณะที่เรานอนหลับแล้วฝันเนี่ยเราจะฝันดีการเป็นเทวดาก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีเนี่ยแต่ถ้าเราทําบาปนะแล้วเวลาเราตายไปเนี่ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันลายฝันมีแต่เรื่องราวหวาดเสียวหวาดกลัวสร้างแต่ความทุกข์สร้างความต่วุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลา อันนั้นก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่มีใครอยากจะไปอยากจะอยู่เป็นมนุษย์ไปจนไม่มีวันตายอย่างทุกคนมีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายมากเพราะอยากจะอยู่อยากจะเสพโลกธรรมกันได้ไหมยอยากจะร่ำรวยอยากจะเสพลาบยศเสริญสุขกันแต่ร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงพองสิ้นสุดลงใจก็ต้องแยกออกจากร่างกาย เมือนช่วงที่นอนหลับใจก็ต้องอาศัยบุญหรือบาปที่ตนเองได้ทําไว้มาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องแก้เหงาวิธีง่ายใจจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยแก้เหงาอยู่เฉยๆไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพไม่ได้ถ้าไม่สามารถเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายได้ก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่มีฝังไว้ในสัญญาความจำนั่นเองนะที่เรานอนหลับนี่เราก็ใช้สัญญาและสัญขานมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเวลาให้เราเสพไป ถ้าเราถ้าเรามีสัญญาที่ดีเราไปทำบุญทำความดีเราก็จะมีเรื่องที่ดีมาปรุงแต่งให้เราฝันดีกันถ้าเรามีแต่เรื่องไม่ดีในขณะที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทำบาป ก, ก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีฝังอยู่ในใจในเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายอย่างเช่นยุคปัจจุบันนี้พวกทหารที่ไปต่อไปรบในสงครามนะไปเจอแต่เรื่องร้ายหดร้ายทารุณเรากลับมา บ้านกลับมาเวลานอนหลับจะฝันร้ายกันเ็าเรียกว่า PTSD นี่แหละมันเป็นผลนจากการทำบาปคำถามจากคุณวีนาครับเรียนถามว่าคนที่มีเห่าขึ้นหัวแล้วใส่ยาฆ่าถือว่าบาปไหมครับและถ้าไม่มีเห่าแล้วใส่ยาไว้เกิดเห่ามาขึ้นที่ผมอีกต้องตายบาปไหมครับ คือคิดว่าหาวี้ถือว่าเป็น ส, สัตว์ที่ไม่มีวิญญาณนะดังนั้นการเหมือนเหมเชื่อโลกนี้มันไม่มีวิญญาณมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เหมือนต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ของพวกนี้ไม่มีไม่มีวิญญาณดังนั้นการที่จะไปทําลายมันนี้ไม่ถือว่าบาปในอย่างใดเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับต้นไม้ไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับดอกไม้ ไมเลยไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาก็ไม่บาปหรือถ้ามันมีวิญ ญ, ญาณก็ถือว่าก็ทำบาปแต่อาจจะเป็นบาป ท, ที่ที่ไม่รุนแรงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณประโยชน์อะไรแล้วนะถ้าเกิดว่าสมมติจะต้องไปใช้กรรมก็อาจจะต้องไปเกิดเป็นเขาถ้ามันเป็นสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณนะอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับาน ใชาวะ่ามีหรป่าการจะมีวัญญาณได้มีใจมาเกนนาะได้ต้องมีอายะตนะทั้งห้าคือต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายเพราะใจมันต้องการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีสิ่งที่มีอายาตนะทั้งห้าช่นถ้าเป็นแมวเป็นสุนั้เนี่ยมันมีใช่ไหมตุนั้งนี่มีตาหูจมูกนิ้นกายแต่เขาเชื้อโรคนี่มันไม่มีพวกเชื้อโรคนี่มนไม่มีไวรัสเอ้พวกนี้มนไม่มี แต่หานี่ไม่แน่นะหาก็เห็บนี่มันาอาจจะมีก็ได้เอ็นถ้าทางที่ดีก็โกนหัวใชก็แล้วกันมันอย่าไปฆ่ามันโกนหัวแล้วก็เ อ, เ, อเอาผมเอเอาผมไปทิ้งม่ป่าไปที่ไม่ป่ า, ปปาแล้วเดี๋ยวผมใหม่ก็ขึ้นมาอ่พอโกนแล้วค่อยทายาก็ได้ทายากันมันก็จะไม่มาคุณเฟื้องครับ มีเพื่อนฝากถามเรียนถามพระอาจารย์ถ้ามารดาของเราไม่สนใจในธรรมะเราในฐานะบุตรได้พยายามชักชวนท่านแล้วแต่ท่านก็ยังไม่สนใจในการสร้างกุศลเลยในฐานะบุตรสามารถสร้างกุศลสวดมนต์ภาวนาและแผ่บุญกุศลนี้ถึงท่านท่านจะได้รับไหมครับหรือบุญกุศลที่ลูกได้สร้างตั้งใจทดแทนคุณบิดามารดาจะสามารถล้างวิบากกรรมของบิดามารดาได้หรือเปล่าครับและบุญกุศลชนดิดใดที่เรากะทำบิดามารดาจะได้รับมากที่สุดครับ ไม่ได้เลย ไ, ได้ก็แทบจะไม่มีผลประโยชน์อะไรกับกามิดามารดาเลยถ้าได้ก็ไม่ต้องให้เราไม่ต้องทําอะไรให้พระเจ้าทําให้เราก็ได้พระเจ้าถ้ามีบุญมีกุศลเยอะแยะบุญกุศลที่จะมีประกอบเป็นกรรมที่จะมีผลต่อจิตใจของเรานี้ต้องเกิดจากการกระทําของเราเองส่วนกบุญกุศลที่เราที่ให้กับผู้ที่ร้องรับไปแล้วมันก็เป็น เป็นเศษบุญที่เราส่งไปเหมือนเศษเงินเศษทองที่เราให้กับขอทานนั่นเองก็เพียงแต่ทำให้เขาได้สัมผัสกับน้ ำ, ยนำหยดน้าหยดสองหยดเพื่อช้ให้คลายความรู้สึกหิวโหยลงไปได้นิดหนึ่ง พี่สมพรบอกว่าธรรมะพระอาจารย์ทำให้โยมมีปัญญาเฉพาะยิ่งเราต้องการให้คนอื่นเป็นส้มในขณะที่เขาเป็นมรรคอช่วยโยมให้ใช้ชีวิตมีสุขมีปัญญาขึ้นเยอะปกติเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองยึดความคิดตัวเองแบบไม่รู้ตัวไม่มีปัญญาอันนี้เล่าให้พระอาจารย์ฟังครับพี่สมพรบอกว่าการประพฤติ ท, ทำบางทีประพฤติเฉยๆยก็ไม่สามารถทาให้สุขเสมอไปหากขาดปัญญา ต้องมีปัญญามาประกอบความประพฤติทำโยงเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับคือปัญญามันก็ต้องมีทุกระดับนะีว่าเราทำถูกหรือไม่ถูกนี่ก็คือปัญญานะใช่ไหมอันนี้ถ้าทำแบบไม่มีปัญญาทาแบบคนตาบอดนี่มันก็อาจจะทาผิดทำไม่ถูกมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาแต่ปัญญามันมีหลายระดับนะปัญญาที่จะทำให้กิเลส ต, ตายนี่นก็เป็นเป็นปัญญาอีกระดับหนะึ่ง ก็เราเราจะทนทุกอย่างนี่ต้องมีปัญญาทั้งนั้นแหะเพียงแต่ปัญญาระดับพื้นฐานเงินใช่ไหมเราจะทําอะไรอย่างนั้นเราต้องรู้ผิดถูกดีชัว่วละทําอย่างนี้จะทําอะไรให้เกิดขึ้นกินยานี้่อกินอาหารชนิดนี้แล้วทําให้ท้องเสียมันก็ต้องมีปัญญาด้วยที่ถ้ามันจะทําให้เราท้องเสียเราก็อย่าไปกินมันอันนี้มันเป็นปัญญาระดับทั่วไปไม่ใช่ระดับปัญญาในระดับของการปฏิบัติขั้น ขั้นปัญญาในสิลสมาธิปัญญาอันนั้นปัญญาเพื่อให้เห็นตายักให้เห็นอริยาาสัจสีคุณฉเฉลยพรครับใส่บาตรทุกเช้าแต่เมื่อเช้าตื่นสายฝันว่ามีคนมาถามว่าวันนี้ไม่ไปใส่บาตรหรอคะเป็นเพราะจิตกังวลหรือเปล่าครับมันก็เป็นไรก็ช่างวมันนก็ให้รู้ไว้ก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้ คุณพอลครับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาแล้วธาตุรู้กับอวกาศธาตุเป็นอนัตตาด้วยไหมครับเป็นทั้งหมดนะหกธาตุทั้งหกนี่ไม่มีตัวตนธาตุรู้ก็ไม่มีตัวตนธาตุรู้นี่คิดได้มีความรู้สึกนะึกคิดแต่ความรู้สึกนึกคิดนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติที่คิดได้ที่รู้ได้ที่สัมผัสความความรู้สึกได้ แต่ไม่มีตัวตนมีธาตุรู้นี่เป็นตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถรับรู้อะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นธาตุทั้งข่านี้ไม่รู้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้ดินนี่ ม, มีดินน้าลมไฟอวากาศนี่ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ธาตุรู้นี่ก็คือจิตอย่างนี้ใช่ไหใจเนี่ยเป็นใจแใจก็ไปเก่อความหลงให้ปุ๊ให้ให้ให้สร้างเรื่องขึ้นมา ให้ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเราธาตุกคือเราเป็นตัวเราของเราเรวก็ทำอะไรก็ต้องทำให้ให้กับเราอย่างเป็นต้นอันนี้มันเป็นความหลงที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาเวลาทำเวลาทาสมาธิทำใจให้สงบความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองเป็นการจินตนาการของจิตเกิดจากความหลง คุณพรภวีครับเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิจนไม่มีวิตกวิจารณ์คือสภาวะเช่นไรครับก็สภาวะที่นี่มันสงบนิ่งเลยที่นั่งเข้าสู่สู่ระดับสมาธิแล้วนะความคิดตรุงแต่งก็จะเริ่มจางหายไปแล้วก็หมดไปเอาหมดไปมันก็จะมันก็จะเข้าสู่ความนิ่งสงบที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา เวลาที่เรานั่งดูลมหายใจเข้าออกนี่ยังมีวิตกวิจารยอยู่การดูลมนี่ก็เรียกว่าวิตกวิตกก็คือตึกวิจารก็คือพิจารณาว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ก็คือการรู้การรู้การดูลมเรียกว่าตึกแล้วก็รู้ว่าเข้าหรือออกก็เรียกว่าตรองตึกองเรียกววิตกวิจาราดูไปเรื่อยๆต่อไปเราก็นมก็นิ่งสงบ น ก, ก น, กววนก็หายไปใจก็นิ่งสงบไปพิตรวิจารก็หายไปใจก็นิ่งเป็นอุเบกขาเป็นเป็นอัปปนาสมาธิไปคุณโทละครับนั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขวเวทนาโปวดขา ม, มากค่ะทาอย่างไรดีครับก็ทำได้สองอย่างก็ลุกขึ้นเป็นนิยาบดก็าเราก็จะติดอยู่ตรงนั้น ท, ทําทีไรแล้วก็จะติดที่ตรงนี้ ถ้ า, าอยาผ่านแล้วก็ต้องไม่ขยับไปุบแล้วก็หาวิธีทําใจให้ยอมรับของความเจ็บให้ได้โดยที่ไม่ไปต้องไปขยับร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปวิธีทําทให้ปล่อยมันเจ็บก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือใช้คําบริกรรมพุโทโธใช้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงความเจ็บพอไม่คิดถึงความเจ็บความอยากหายเจ็บมันก็จะหายไป ความทรมานใจก็จะหายไปใจก็จะสงบใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้อันนี้ใช้สติเพื่อให้ผ่านทุกขเวทนาคือความเจ็บถ้าเรามีถ้าเราผ่านขั้นทุกขเวทนาผ่านด้วยสติได้ขั้นต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญานับใจว่าทุกขเวทนานี้เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับของมันเองเราไปควบคุมไปบังคับมันไม่ได้ เวลามันจะมามันก็มาเช่นเวลาเป็นไข้มันจะไปให้มันหายมันก็ไม่หายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องยอมรับมันปล่อยให้มันปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นเป็นของเป็นเป็นไปตามความอยากของเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้เราอยากให้มันหายแต่มันไม่หาย ไม่มไม่หายเราก็เราก็ต้องยอมรับมันอยู่กับมันไปอยู่กับมันได้ทุกก็จะหายไปทุกในใจเราก็หายไปเราก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อันนี้ขั้นปัญญาจากพิสมพรครับยมเกิดโทรศัพท์กับเพื่อนร่วม ง, งานที่เพื่อนร่วม ง, งานเอาเปรียบกันไม่ลงเรือลําเดียวกันในการทํากิจกรรมส่วนรวมของแผนก เหมือนมีการเทมีการเอาเปรียบกันยิ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแล้วทําให้เห็นได้การเปรียบเสียเปรีย บ, ยบได้ชัดเจนระหว่างคนร่วมกิจกรรมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในขณะคนที่ไม่ร่วมกิจกรรมไม่ต้องจ่ายสักบาทเป็นการไปต่างประเทศที่ต้องร่วมดูแลผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันคือไปทํางานแต่ต้องออกเงินกันเองคนไม่ไปร่วมไม่ต้องออกตังค์จะอธิบายและใช้หลักธรรมข้อใดดีครับ ที่เราทุกข์เพราะความอยากของเราอยากให้เขาอยากให้เขาจ่ายอยากให้เขาไม่เอาเปรียบแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้เขาเอาเปรียบไปเราก็เราก็จ่ายส่วนของเราไปส่วนเขาจะเอาเปรียบเป็นเรื่องของเขาไปหรือว่าถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็อยากไปด้วยกันแยกกันไปคนละทางกันไปแต่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้ เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนนี่สายชอบเอาเปรียบคนอื่นถ้าเราไม่ถ้าเราทุกข์ก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาไม่เอาเปรียบเหมือนอย่างที่ม่พี่พูด ต, อ, ตอนตะ้นนะที่ก็บอกเขาเป็นมรรคออยากจะให้เขาเป็นส้ม อ, อย่างนี้ก็เท่านั้นแหละก็ยอมรับว่าเขาเป็นมรกรกอแล้วกันอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มมันก็จบคุณอัจชลาครับ ถ้าเราทําทานกับหมาแมวจรจัดเช่นให้อาหารกับพวกเขาตลอดทํามากกว่าการทําบุญใส่บาตรหรือทําบุญอย่างอื่นบุญที่ได้จะได้มากหรือไม่เจ้าคะคือบุญมนีสองสองส่วนนะเดี๋ยวถ้าไม่พูดอธิบายเจะเข้าใจผิดส่วนแรกก็คือบุญที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองให้กับผู้ใดผู้หนึ่งนี้อันนี้ไม่ว่าจะให้ใครก็จะได้เท่ากันก็เกิดความอิ่มใจสุขใจที่เราได้เสียสละแบ่งปัน เข้าของเงินทองไปส่วนหนึ่งแต่ประโยชน์มูส่วนนี้เราจะได้รับจากผู้รับนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันเช่นเราทําบุญกับพระอริยะะส่งฆ์นี้เราถ้มีโอกาสได้คุยกับพระอริยะสงฆ์เราก็จะได้บุญคือปัญญาจากท่านแต่ถ้าเราทํากับสุนัขแมวนี้เราก็จะไม่ได้ปัญญาเราก็จะได้แต่มันเห่าให้เราหรืออะไรทํานองนี้ทำนีง มันเฝ้าบ้านให้เราทําประโยชน์ให้กับเราอันนี้เป็นอนนี้จะต่างกันดงนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยหรือไม่ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ไม่สำคัญจะไปทําบุญกับหมากับแมวทําบุญกับพระอริยะมันก็เราไม่ได้สนใจประโยชน์ที่เราจะได้รับจากเขานี่เราต้องการความสุขในใจเราแล้วก็ทํากับใครก็ได้จะมากจะน้อยต่างกันตรงที่ทํำมากทาน้อยต่างกันเท่านั้นเอง ทำมากก็ได้ได้บุญมากทําน้อยก็ได้บุญน้อยส่วนนี้นะมันมีสองส่วนเวลาทําบุญเี่ถ้าพูดถ้าพูดส่วนเดียวเราจะไม่เข้าใจเราจะมาค้านกันทีหลังอีกทีก็เอ๊ะทาไมเขาบอกว่าทําบุญต้องเนื้อคนต้องทำกับคนที่มีศีลมีปัญญาทําบุญกับพระเจ้าได้บุญเยอะกว่าก็ใช่ถ้าอยากจะได้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราก็ต้องทํากับพระเจ้าพระเจ้าจะให้ธรรมะกับเรา แต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเรายังปฏิบัติทําไม่รู้เรื่องอยังไม่เข้าใจธรรมะทําันกับพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนี่ไปทํากับหมาซะได้ครับอาจารยเข้าใจครับอาจารย์ครับคุณเวรี่ครับพี่สาวเป็นคริสเตียนชอบไปโบสถ์ดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนส่วนหนูชอบไปวัดรู้สึกยินดีมีความสุขที่ได้เดินตามทางพระพุทธองค์ แต่มีน้องสาวแม่พูดกับแม่ว่าสงสารแม่เรานะลูกคนนึงก็ติดไปโบสถ์คนหนึ่งก็ติดเข้าวัดหนูควรปรับแม่ว่าอย่างไรดีคะเออทาไมต้องสงสารแม่ด้วยแม่ทําไมต้องให้ทําให้สงสารมันไม่เกี่ยวกับแม่เรื่องของลูกลูกเขาจะไปโบสถ์ไปวัดก็เป็นเรื่องของเขาไม่ทราบว่าต้องทําไมแม่ต้องให้สงสารแม่ด้วยแม่น้อยใจนรืองหรือว่า มีเขียนต่อยหน่อยครับไม่รู้สึกว่าน่าสงสารเลยแต่คนน่ายินดีเฉยมากกว่าแต่แม่ดูนิ่งๆไปเลยไม่รู้ว่าแม่รู้สึกกับคําคนอื่นหรือเปล่าครับอาจารย์คือน้ำมาปุน่นครับเขาคงจะมาเขาว่าลูกไม่ให้ความสําคัญกับแม่มั้งไปให้คำความสําคัญกับตัวเองไปวัดไปโบสถไม่ชวนแม่ไปด้วยไม่พาแม่ไปด้วยทำนบบนี้หรือเปล่าดูฟังดูเหมือนกับ อ่าคนที่ถามเนี่ยกังวลว่าแม่จะน้อยใจเพราะคาพูดของนา้าที่ว่าคนโตไปโบสคนเล็กไปวัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไปกลัวแม่จะเครียดไม่น่าเครียดเลยถ้าไปบาไปผับน่าจะเครียดกว่าใช่บสถก็เขาก็สอนให้เป็นคนดีไปว่าเ้าก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนไปโรงเรียนมันจะมันจะคนจะน่าจะดีใจมากกว่าดีกว่าลูกไปเที่ยวตามบาตามผับอะไร คุณพันทิพย์ครับนมัสการพระอาจารย์ครับทําบุญใส่บาตรทุกวันแต่ไม่ได um ้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้บุญมากหรือเปล่าครับก็ได้บุญท่านขั้นใส่บาตรนะบุญจะมีสามขั้นขั้นใส่บาตรบุญที่เกิดจากการใส่บาตรแล้วก็บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม มันคนระดับกันคนตาคนเรื่องกันเหมือนเหมือนธนบัตรเนี่ยมีหลายหลายราคาใบละยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยใบละห้าร้อยใบละพันบุญก็แบบนั้นนะแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหนเราก็จะได้บุญไม่เท่ากันคุณใบหยกครับการจะวางเฉยได้ขั้นแรกคือการภาวนานั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ เพราะสมาธิคือตัวทำให้เรามีสติเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆปัญญาจะทำให้เราคิดแบบวางเฉยได้เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับผิดนิดหน่อยตรงที่ว่าสมาธิไม่ได้ทำให้เรามีสติสติเป็นตัวเป็นผู้ที่ทำให้เรามีสมาธิถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันสม บ, บได้ดังนนต้องฝึกสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้ไม่ใช่กลับกันไม่ใช่มีสมาธิแล้วถึงจะมีสติ ก็จริงอยู่เวลามีสมาธิก็แสดงว่าต้องมีสติแต่การจะมีสมาธิได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสมาไม่มีทางที่จะมีสมาธิได้คุณชอบปรกาครับเมื่อก่อนหนูทําบุญโอนเงินทําบุญเสร็จหนูสุขใจมากแต่ทุกวันนี้หลังจากโอนเงินทําบุญเสร็จกลับรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขเหมือนก่อนทางนั้นที่ทําบุญเกือบทุกวันทําไมถึงเป็นเช่นนี้และแบบนี้เกิด บ, บุญไหมครับ มันก็มันมัก็เกิดนะเพราะเราได้เสียสละเห็นได้ว่าตอนที่เราทําใหม่ๆมันนอาจจะเป็นของแปลกใหม่แล้วก็เลยมีความรู้สึกเพิ่มปิติไปกับมันด้วยนะแต่เราอยากจะให้มันมีความสุขก็ลองลองทําเพิ่มมากขึ้นดูสิเพราะเมื่อว่าเราทําไปนั้นพอมันเริ่มจับเจมันก็รู้สึกเฉยๆไปแต่บุญก็ยังได้อยู่บุญที่เกิดจากการเสียสละยังยังได้อยู่แต่ความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้อันนี้มัน มันส่วนประกอบคือความเพิ่มปิตินี่นะมันมักจะเกิดในช่วงที่เราทําอะไรใหม่ๆทำอะไรที่แปลกใหม่เนีงั้นถ้าอยากให้มันเพิ่มปิติก็ลองทําเพิ่มสองเท่าอยูเลยคุณจะรู้สึกเพิ่มปิติหรือไม่คุณทิติยาครับหากใจเกิดความโกรธเกิดใจเต้นเร็วควรภาวนาอย่างไรดีเจ้าคะ ให้พุโทโธเนี่บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราโกรธเดิกเรื่องที่เราเรื่องที่ทําให้เราโกรธเสียด้วยการให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปพอเลิกเรื่องนั้นได้ความโกรธก็จะหายไปเราก็หยุดพุโทโธได้ถ้ายังไม่หายโกรธก็อย่าอย่าหยุดพุโทโธมันกินยาถ้ายังไม่หายก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆ คุณสมพรครับในชีวิตประจำวันอุบาสกอุบาสิกาควรได้ประพฤติธรรมด้วยธรรมะข้อใดเป็นหลักสำคัญใช่คือการประพฤติด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าครับก็ทานศีลทานด้วยทานศีลสมาธิปัญญาคุณสลาวุธครับเมื่อร่างกายเจ็บป่วยควรจะวางใจแบบไหนให้จิตใจไม่เป็นทุกข์ครับรอาจารย์ ก็ยอมรับความเจ็บปวดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมันมา ก, ก็ต้องก็ต้องยอมรับมันอย่าไปปฏิเสธอย่าไปอยากผักใส่อย่าไปอยากให้มันหายให้มันหายเองมันมายเองได้เดี๋ยว ก, ก็มันหายเองได้ช่วงนี้ยังไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปก่อนทําใจพูดง่ายๆคือทำใจเฉยๆอย่าไปดินนน้นรนหนีมันหรืออย่าไปอยากให้มันหายมันจะทําทให้เราทุกข์ คุณสมพรครับทําไมกับคนบางคนไม่ถูกหน้าค่าตากันเฉยๆทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําอะไรเราเพียงแต่สมัมผัสได้ว่าเขากับเราไม่ได้ถูกฉลองกันเฉยๆเอวื้อเหมือนต่างฝ่ายต่างก็สมัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกชะตากันเป็นเพราะอะไรไม่ทราบครับทําไมถึงเป็นเช่นนี้ครับคือใจของเราเนี่ยมีความฝังความจําต่างๆนั้นในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราไปเจออะไรต่างๆแล้วมันจะฝังว่าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้น พอเรามาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบมันที่เรามันฝังอยู่ในใจเราเราก็จะไม่ชอบในทางนอนข้างถ้าเรามันมีฝังอยู่ในใจก็เราชอบแบบนี้พอเราเจอแบบนี้เราก็จะชอบขึ้นมาสังเกตดูเราเวลาเจออะไรเนี่ยเราจะมีความรู้สึกสามอย่างด้วยกันบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็เฉยเฉยมันมีสามอย่างเกิดจากการที่เราเคยมีความมีสัญญามีความ ความจำฝังเรื่องอยู่เดียวคำเรื่องราวเหล่านี้ไม่แน่ดีเมื่อก่อนเคยชอบอย่างนี้มาก่อนพอเจออีกก็จะชอบอีกเคยเกลียดอย่างนี้พอเจ อ, อ ก, ก็จะเกลียดคุณสุวรรณีครับเราสามารถใช้อริยรรสัจสี่ร่วมกับการใช้ชีวิตประจําวันได้ไหมครับได้ได้ตลอดเวลาเลยคือเราถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์เราก็อยา่ามีมีความอยากอยากประยากให้ ให้สิ่ง น, นั้ น, เ ป, น, นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลืออยากอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ก็อยู่ไปเฉยๆแบบไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจที่ทุกข์ที่วุ่นวายใจเพราะอยากให้ way, bullying, diabetic, บบมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นมันก็วุ่นวายใจขึ้นมาคุณบ๊อกครับ ผมเคยได้ยินคําสอนของท่านที่ว่าให้ลองนั่งเก้าอี้อยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องทําอะไรและลุกไปไหนสักสองามชั่วโมงดูว่าทําได้ไหมผมทําได้สี่ชั่วโมงและจะนั่งต่อไปได้เรื่อยๆเพราะสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาแต่มีภารกิจจึงต้องลุกจากเก้าอี้แห่งความสุขนั้นจูๆ่ๆคําสอนท่านก็เกิดขึ้นมาจิตปัจจุบันนี้ปิติสุขจนอยากให้น้ําตาไหลออกมาเป็นสายน้ําแต่ก็ทําไม่ได้ได้แต่น้ําตาคลอเบ้าเพราะสติมาตัดไปอยู่กับลมหายใจกลับ แทบทาพระอาจารย์ครับผมแล้วให้ฟังครับรอาจารย์ถ้าทำได้ก็ดีแสดงว่ามีสติมากพอที่จะควบคุมความอยากได้เป้าหมายก็คือต้องการที่จะควบคุมความอยากอยากจะไปทํานู่นอยากจะไปทํานี่อยากจะไปดูนั่นดู น, น, ดนี่โดยที่ไม่มีเหตุจาเป็นได้ต้องทาจริงๆเราต้องการสกัดความอยากเ่านี้ไปแค่นั้นเองผมก็เคยทานะครับรอาจารย์ ทำยากเหมือนกันนะครับา <c oughs> อาจารย์พยายามเลือกสื่อทำให้อยู่เฉยใ ช, ใ ช, ใ ช, ช้ใช่ใช้สติใช้ปัญญาของเราเท่านั้นสู้กับมันปั <c oughs> นใจเรามั น, มนดิ้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนตื่นมามันก็ไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่แล้วไม่เคยอยู่เฉยเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเราอยู่เฉยได้ก็ทําให้เราก็จะสบายไม่ต้องไปวุ่นวายก <c oughs> ับเรื่องราวต่างๆมากจนเกิน คุณแพตครับกับเพนถามข้อแรกการภาวนาพุโทโธจิตควรตั้งอยู่ที่ไหนคะที่คําพุโทโธไงจิตอยู่กับคําว่าพุโทโธให้นว่าเรากำลังพุโทโธพุโทโธพุโทโธยข้อที่สองครับช่วงนี้ปฏิบัติแล้วปกผวังหลับบ่อยนิ่งไปเฉยเฉไม่มีสับปะโกะแก้ไขยังไงดีครับดูเหมือนจะถอยหลังครับก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ควรจะลองไม่กินข้าวเย็นดูคนยังงดถือสินแปดข้อหกดูถือสินข้อหกดูวิธีาการรับประทานอาหารน้ำเที่งวันไปแล้วหรือถ้าอย่างหนึง่งวิธีแก้ก็คือถ้าสับปะอกก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนไปก่อนเดินไปยังท่านรัศกรง้อแล้วให้กลับมานั่งใหม่วิธีที่สามก็คือไปหาที่เปลี่ยวที่น่ากลัวเช่นไปนั่งตามป่าช้าหรือตามสถานที่ที่เรามีความหวาดกลัว อันนั้นมันก็จะทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาจะไม่หลับแต่ก็ต้องปลอดภัยนะไม่ใช่ต้องรู้สึกว่ามันปลอดภัยไม่กล้าไปอยู่ในที่นี้มันน่ากลัวแล้วมันก็อันตรายต่อชีวิตอย่างนี้ก็ไม่ควรไปคุณอุงุนเปรี้ยวครับการสวดมนต์ยาวใช้เวลาเกือบชั่วโมงและการนั่งสมาธิใช้เวลาเพียงสิบนาทีตลอดเวลาที่ปฏิบัติทั้งสองอย่างจิตสงบตลอด อยากทราบว่าการปฏิบัติอย่างไหนได้อันใดสงบมากกว่ากันเจ้าค่ะก็อย่งว่าอย่างไหนสงบมากกว่ากันะโดยปกติแล้วการนั่งสมาธิยันได้ความสงบมากกว่าการสวดมนต์เพราะการสวดมนต์จิตยังต้องทํางานอยู่ยังต้องสวดไปถ้านั่งสมาธิดูลมเฉยๆนี่มันก็จะมันจะจังหึ่งสงบได้มากกว่ายกเว้นว่าถ้าสวดมันไปแล้วมันเกือบจิตมันเกือบดิ่งลงไปเองสวดไปแล้วมันรู้สึก พูดเข้าไปนั่งนิ่งสงบอันนั้นก็ถือว่าได้เท่ากันต้องดูที่ผลตรงการการสวนกับการนั่งว่าจิตนิ่งสงบบ้ากน้อยต่างกันอย่างไรผลอยู่ตรงนั้นที่เราต้องการคือความสงบคุณสมพรครับใกล้ถึงเทศกาลกินเจการกินเจผู้ทานเจได้รับอ น, นิสงส์อย่างไรบ้างไหมครับส่วนตัวชอบทานผักเป็นทุนเดิมจึงทานเจด้วยความสุขด้วยความเต็มใจไม่ได้หวังอะไรครับ ทางจิตใจมันไม่ได้อะไรเลยเพราะมันมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลแต่อย่างไดถ้าเป็นบุญเป็นกุศลพวกวัวพวกควายที่กินหญ้ามันก็คงจะได้กุศลมากกว่าคนเพราะวัวควายมันก็กินแต่ผักแต่หญ้ามาตลอดนี่นการกินทางานนี้ไม่ได้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เกิดบุญเกิดกุศลเมื่อเกิดบาปแต่อย่างใดนี่มันอยู่ที่การกระทำํำทางานถ้าเราฆ่าฆ่าสัตว์เล่าเนื้อสัตว์มากินเนี่ยบาป แต่ถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมากินนี่ไม่บาปมันก็เหมือนกับกินเจกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็เหมือนกับกินผักที่ตายแล้วเหมือนกันไม่ต่างกันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันดังันการกินเจนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อจิตใจจิตใจก็ไม่ได้ไม่ได้มือนก็ไม่ได้ไปยกเว้นว่าถ้าจิตใจ ไปฆ่าสัตว์เองเพื่อเอาเนื้อสัตว์มากินแล้วเปลี่ยนมากินเจนก็หยุดการฆ่าสัตว์ได้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าโดยปกติเวลากินเนื้อสัตว์ก็ไปซื้อที่ตลาดเวลากินผักก็ไปซื้อที่ตลาดอย่างนี้มีผลไม่ไม่ต่างกันไปอย่างไงคุณสมพรครับบางครั้งสุขบางครั้งทุกข์เหมือนชีวิตมีขึ้นมีลงอยากทราบว่าการที่มีหมอดู คอยทานายพยากรณ์ดวงต่างๆโชคต่างๆมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพราะยังไงก็ต้องประพฤติปฏิบัติทําเป็นหลักครับมันก็หมอดาวอ่ะหมอหมอดูก็หมอดาวนี่เองดาถูกบ้างเดาผิดบ้างมันมันมันเป็นอาจจะเป็นยังหวะที่ไปไปไปทํานายเข้าแล้วมันก็ตรงกับเหตตรงกับความจริงก็มีบางทีก็ไม่ตรงก็มี ถ้าอยากจะดูหมอให้ดูจากพระพุทธเจ้าดีกว่แม่นแม่นเป๊ะเลยพระเจ้าบอกเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนนุ่งคนควาแก่ควาเจ็บความตายไม่ไดเอาหมอดูอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนกว่า ค, on, ครับคุณบีออนครับปฏิบัติธรรมมาได้ห้าสิบวันเป้าหมายที่ฐันจิตไว้หนึ่งร้อยวันในเข้าวพันศานี้ขอความเมตตาขอกําลังใจพระอาจารย์เพื่อเดินทางต่อไปค่ะ ทำทุกวันคือทานสีพอาอนาและฟังธรรมครับก็คิดอย่างนี้เสียว่าถ้าเราทํามาได้ห้าสิบวันแล้วอีกห้าสิบวันเราจะไม่ทําให้ได้เราก็ทําต่อไปเวลาที่เราคิดอยากจะเลิกขึ้นมาก็ถ้าเราทำห้าสิบวันได้เราก็ต้องทําอีกห้าสิบวันต่อไปได้เพราะมันก็เราก็ผ่านมาแล้วคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทําได้คุณอ่างหุ่นเปรี้ยวครับ อุเบกขากับไม่สนใจอันเดียวกันไหมเจ้าคะคนละาันกันอุเบกขานี่สนใจแต่เฉยๆกับสิ่งที่เราสนใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งที่เราสนใจดูแลเฉยๆไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีใจเสียใจในอุเบกขาคุณหาหรือไทยครับ หนูอยากรู้ว่าถ้าเราตกปลาเพื่อเป็นอาหารบาปมากไหมคะก็าถามปลาดูสิถ้าถ้าเราเป็นปลาเนี่บาปไหมมากไหมนะเราก็ต้องว่าบาปมากที่เอาเอาชีวิตของเราไปทั้งชีวิตเนี่ยเราไปแลเราก็ต้องไปเกิดเป็นปลาให้เขาตกแล้วเราก็จะรู้เองว่าบาปมากหรือบาปน้อยเป็นยังไง้วเราทําเขานี่เราไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่แวเวลาถูกเขาทาเราถึงจะรู้สึกเนี่ยเวลาเราด่าคนอื่นนี่ด่าได้อย่างสอย่างสบาย พอเขาด่าเราคําเดียวนั่นโอถ้าจะเป็นแทบตายถ้าเป็นแทบตายกันนี่เราไม่ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเวลาทํากับคนอื่นมันมันมั น, ม, น, ม, น ม, มันไม่รู้สึกอะไรเพราะมันตัวเราไม่ได้โดนรับกับการกระทํางเราก็ลองยอมลองย้อนกลับมาถ้าเกิดมันเข้ามาทํากับเราแบบที่เราไปทำกับเขาบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรงนั่นแหละมันก็จะรู้ว่าบาปเป็นยังไง คุณสุกัญญาครับก่อนนอนหนูฟังธรรมะทุกวันเลยหลวงพ่อเวลาหนูฟังหนูหลับไปเดินมาอีกทีก็เช้าได้บุญหรือได้ได้บุญไหมครับไม่น่าได้ายานอนหลับเนี่ย <c oughs> การต่างๆก็การเป็นการเป็นการยานอนหลับไปกินยานอนหลับไปคุณอู๊ดครับนั่งสมาธิมานานหลายปีจิตยังไม่รวมลงสมาธิหลังจากออกจากสมาธิแล้วจิตใจ เฉยก็เพราะไม่มีสตินั่นเองนั่งสมาธิถ้าไม่มีสตินั่งกีป่ปีนั่งนานถ้าหลานก็ไม่ได้ผลจ่ได้ผลนี้ต้องมีสติคุณจอ ม, มานบอกว่าซื้อไข่ไก่จากห้างสรรพสิปปนค้าเอามาทําอาหารอย่างไรบาปไหมครับเข้าใจว่าไก่ที่เขาขายนนั้ไม่มีตัวไม่มไม่ไม่มีตัวจ ก็คือมันไม่ฟัดไม่ไมัมนฟัดมันไม่มีตัวออกมาก็แสดงว่าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในไครนั้นก็ไม่บาปวิสมพรครับอยู่บ้านโยมจะทําบ้านให้เป็นวัดโดยการฟังทำด้ายของพระอาจารย์ได้ยินทำได้ฟังธทำของพระอาจารย์ทําให้ใจสงบมีธรรมเหมือนเอาวัดมาไว้ที่บ้านไว้ที่ใจการปฏิบัติธรรมของโยมโดยการฟังทำด้ายของพระอาจารย์ถือเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นไหนอย่างไรครับ ขั้นขั้นที่หนึ่งคือการปฏิบัตินี้ต้องศึกษาและเรียนรู้ก่อนเมื่อเราเรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ไปปฏิบัติเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิเราก็ต้องไปนั่งสมาธิเรียนรู้วิธีพิจารณาปัญญาพิจารณาลยศาสตร์ไปรักเราก็ต้องเอาไปใช้ไ ป, ไปทําต่อมันถึงจะได้ผลอันนี้เป็นขั้นแรกก็เรียกว่าปริยัติศึกษาศึกษาแล้วก็นํามา ป, ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้ปฏิเวชคือได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นบรรลเุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอะไรขึ้นมาต่อไปต้องเกิดจากการปฏิบัติเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่สามารถทำให้เราบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องนำออกไปปฏิบัติก่อนคุณประชาครับขณะทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วถูกคนอื่นมาขัดขวางคิดว่าเจอคนพาลมากันแกล้ง แล้วควรจะทําอย่างไรครับใช้วิธีไม่ก่อเวรคือตัวเราพยายามหลบๆไปหรือพยายามสู้ช่วยรักษากฎสังคมเพื่อส่วนรวมดีขึ้นครับถ้าถ้าถ้าไม่ไม่มีเรื่องอะไรดีที่สุดนะถ้าไปก่อเรื่องมันก็จะทําให้เกิดมีปัญหากับเรากับเขาไปเป็นเวรเป็นกรรมกันส่วนเรื่องกฎของสังคมมันก็อยู่ที่คนส่วนส่วนรวมมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวหรอก เราอย่าไปคิดว่าเราสู้เราจะทําให้ดีขึ้นมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะการต่อสู้กันนี้มันอาจจะทําให้สังคมนี้วุ่นวายก็ได้เพราะฉะนั้นทีการต่อสู้กันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้สังคมดีขึ้นต้องอยู่ด้วยกันด้วยความสงบด้วยการรู้จักให้อภัยกันไม่มีเรื่องมีราวกันจะดีกว่าคุณนกครับ ถ้าเรานําเงาะที่ซื้อมาแช่น้ําแล้วมีมดลอยน้ําขึ้นมาจํานวนมากเราจะบาปไหมครับแต่ตอนแรกไม่เห็นมดที่ซ่อนอยู่เลยครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ไม่มีเจตนาก็ไม่บาปแต่มันก็ควรจะใช้สติเข้าต่อไปก่อนที่เราจะทําอะไรแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาเอางาะนี้ไปแช่น้ําก็ลองเคาะๆดูว่ามีตัวมดอยู่หรือเปล่า คุณนิรวันครับกรณีที่น้องหมาน้องแมวตายวิญญาณเขาจะอยู่กับเราเจ็ดวันจริงไหมคะต้องวางอาหารไว้ให้เขาไหมแล้วเขายังรับรู้มองเห็นเราอยู่ไหมแล้วถ้าเราทำบุญให้เขาจะได้รับไหมตอนนี้เพิ่งเสียน้องแมวไปยังทำใจไม่ได้ครับโดยปกติแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่หรอกพอพอร่างกายตายไปโยวิญญาณเขาไปตามอำนาของบุญของหมาต่อไปยกเว้นในกรณี บางกรณนนีอาจจะมีความผูกพันกับเจ้าของมากรักเจ้าของมากยังไม่อยากจากไปอาจจะเว้นเว้นว่าอยู่ใกล้ๆเจ้าของส่นระยะสั้นๆแล้วพอรู้ว่าไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของได้ก็อาจจะ ก, ก็จะไปส่วนเรื่องการจะทําบุญก็ทําได้ทําบุญไทรบาหรือทําบุญทําทานแล้วก็แบ่งบุญที่เราทํานี้ให้กับเขา คำถามจากคุณอู๊ดครับนั่งสมาธิมาหลายแต่จิตไม่รวมหลังออกจากสมาธิแล้วผมชอบนําธรรมะมานั่งพิจารณาเพื่อเห็นความจริงเช่นเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสัจธรรมต้องเกิดกับทุกคนหนีไม่พ้นแบบนี้ทําถูกไหมครับอันนี้ก็ทําได้แต่ยังเป็นขั้นขั้นต้นของการจเจริญปัญญาอยู่ปัญญามีสามท่นด้วยกันขั้นแรกคือการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ขั้ น, นี้สางก็มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความจําไม่ให้หลงลืมเรายังไม่สามารถเอาความรู้ขั้นนี้ไปดับกิเลสดับความทุกข์ได้จะต้องรอให้มีอั ป, ปนาสมาธิก่อนให้จิตมีอุบเบกก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ที่ที่เกิดขึ้นในใจได้แต่ก็ทำไว้ก่อนก็จะก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่มันอาจจะมีมันาจจะมีปัญหา เพราะว่าถ้าเราอยู่ในขั้นที่ฝึกสมาธิฝึกสติอยู่เราต้องการหยุดความคิดถ้าเรามาคิดนี่มันก็จะทาให้เวลาเรานั่งสมาธิจะทำให้จิตเข้าสมาธิไม่ได้บางทีถ้าเรายังอยู่ในเชื่องฝึกสมาธิเราไม่ควรที่จะไปคิดทางปัญญาวางปัญญาไว้ก่อนหยุดความคิดกันให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคิดทางปัญญาจะดีกว่า คุณประชาะครับถ้าเราทําทานซื้อของให้คนอื่นพวกเล่าอาวุธตั๋วช้างเรียกว่าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์คิดว่าจะได้บุญน้อยแต่ถ้าไม่มีเจตนาใหคา้คนรับเอาไปทําไม่ดีคนรับเอาไปทําอะไรผิดผิดเองเราก็เราก็จะไม่ได้รับบาปเพิ่มใช่ไหมครับเราไม่บาปหรอกการให้อะไรต่างๆ่างนี้เพียงแต่ว่าเราไปส่งเสริมให้เขาไปทําบาปง่ายง่ายขึ้นถ้าให้เขากินเหล้าเดี๋ยวเขามาเพราะว่าเวลาเขา มีอารมไม่ดีเขาก็จะเอาเราว่าทําร้ายผู้อื่นได้มีอาวุธก็ จ, จะไปทําร้ายไปฆ่าผู้อื่นได้ดังนั้นเวลาที่เราจะให้อะไรคนอื่นเราต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาถึงแม้ว่าตัวเราเองนี้ไม่ได้กระทําบาปแต่เราก็อาจจะไปส่งเสริมให้คนที่เราให้ของนี้ไปไปกระทําบาปซึ่งเราไม่ต้องการให้เขาไปทําบาปเราต้องการให้เขาเป็นคนดีดังนั้นก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนก่อนที่เราจะให้อะไรกับเขาไป คุณสุภกาครับขอความใม้ตาพระอาจารย์แนะนําการทําทานที่มีผลมากมีอนิสงส์ใหญ่จาแนกไว้เจ็ดอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการวางใจตอนทําทานครับสำหรับเราถ้าอยากจะได้มากก็ทํามากๆนั่นเองทํานี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากทําน้อยมันก็ได้บุญน้อยชนิดของทานนี้มันไม่ค่อยมีผลแตกกันเท่าไหร่อยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเรามากกว่า เสียสละมากก็จะได้บุญมากถีอสละน้อยก็จะได้บุญน้อยคุณนุ่มนวลครับอยากทราบว่าสามีเสียชีวิตเกือบจะสองเดือนค่อยฝันเห็นแต่เพื่อนๆหรือญาติฝันเห็นหลังจากเสียไม่กี่วันทําไมเราฝันเห็นช้ากว่าคนอื่นคะแล้วสื่อถึงอะไรการฝันเห็นครับก็เราไม่อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับเขามากอะไร ค น, นมีความผูกพันมากกันก็จะคิดถึงเขาบ่อยเวลานอนหลับก็จะฝันเห็นเขาถ้าเราไม่ผูกพันมากบางทีเราจะไม่ฝันเลยก็ได้ตายไปล้วก็หายไปจากใจเราไปเลยก็ได้คุณสาระรินครับนั่งสมาธิพร้อมกับฟังธรรมไปด้วยต้องพิจารณาดูลมกับฟังเสียงธรรมอย่างไรคะเ อ, เอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฟังธรรมก็ไม่ต้องดูลม ถ้าจะเร็วเราก็ปิดเสียงทำอย่าให้มันททั้งสองอย่างเพราะมันจะชนกันแลวจะไม่ได้ผลเอาอย่างใดอย่างหนึง่งคุณธิดาบอกว่าไม่ได้ถามนะครับแต่กับเรียนพระอาจารย์ว่าตั้งแต่ฟังธรรมะและคำสอนพระอาจารย์ปฏิบัติตามทำให้จิตใจสงบเย็นขึ้นมากมากมีสติมีพลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นขอบคุณพระอาจารย์นะครับ ก็มีญายนโยมที่มาใส่บาตรเขาก็บอกว่ามาจากรายการยหมอวีเยอะเหมือนกันนะในอันนี้ส่งครับอาจารย์มีเมื่อกี้ตอนต้นรายการติดตามผ่านทางหมอวีเขาติดตามผ่านทางหมอวีก็อยากจะมาใส่บาตรมากครับผมสาธุอนุโมทนาครับมีหลายคนบอกว่าได้ได้รู้จักพระอาจารย์ถักษมีครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนต้นรายการก็เขาพูดกันอยู่ครับ จากคุณใบหยกครับลูกเป็นคารวาสยังชอบดูแลร่างกายผิวพรรณอยู่เจ้าคะ่ะแต่ใจวางเฉยกับความตายได้เพราะคิดว่าร่างกายก็ย่อมคืนสูธ่ธาตุทุกคนที่ไปต่อคือดวงจิตแต่ลูกวางใจกับความเจ็บยังไม่ได้เจ้าคะ่ะต้องพยายามฝึไปเรื่อยๆแล้วก็กความแก่คือความเสื่อมของของผิวหนังทั้งวันมันก็ต้องเหิวย่นมีกะมีอะไรโผล่ขึ้นมา ถ้าเราอยากมายึดติดกับความสวยงามของผิวน้ําอยู่เราก็จะทุกข์ใจได้คุณพรกำมลครับทําอย่างไรในการสอนเด็กให้เข้าใจธรรมะครับก็สอนระดับของเด็กเลยระดับของเด็กก็สอนให้ว่านอนสอนง่ายให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ให้รู้จักกราบไหว้อะไรทํานองนี้ให้มีความกระตันอยู่ต้องสอนในระดับที่เขาเข้าใจ อย่ไปสอนระดับวิปัสนาวิปัตตินั่งสมาธิอริยสัจสี่นี่มันสอนไม่ได้หรอกมันมันก็สอนเด็กที่เรียนคณะจะเรียนวิทยาศาสตร์เรืเ่อง น, นิวเคลียร์ฟิสิกส์เะไนี่มันไม่ได้หรอกมันคนร ะ, ระดับกันมั น, มนธรรมะมันมีหลายระดับก็ต้องดูคนที่มาศึกษาว่าเขาสามารถรับรู้ในระดับนั้นได้แล้วก็สอนในระดับนั้นสอนให้ทําทานสอนให้เสียสละแบ่งปันนี ตอนเป็นก่อนพาไปใส่บาทช่วงนี้มีพ่อแม่จะพาลูกๆมาใส่บาทกันเนยอะฝึกสาให้รู้จักกานทําบุญทาทานพระอาจร์แต่เด็กที่มาฟังพระอาจารย์บรรพุธนี้ลึกเลยนะคะระับอาจารย์บางคนก็ร่างกายเป็นเด็กแต่ใจเขามันเป็นผู้ใหญ่เ ป, เป็นใจที่ได้ฝึกฝนอบรมได้ผ่านธรรมะมามากพอสมควรถึงสามารถที่จะมาสนทนาทําได้ ในกะัของคุณมาลีครับปกติจะใส่บาตร ท, ทาทานทุกวันแต่ถ้ามีช่วงเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปอยู่วัดแล้วเราฝากเงินให้ญาติซื้อของทำบุญใส่บาตรแทนเราในแต่ละวันแบบนี้จะถือว่าเราได้บุญทุกวันไม่ขาดทานได้ไหมคะได้แต่ถ้าเราไปภาวนาะความจริงเราพักการทาทานไว้ช่วคาวก่อนก็ได้ เพราะการไปภาวนานี้ได้บุญมากกว่าการทําทานดังนั้ไม่ต้องการไม่ต้องกังวลว่าถ้าไม่ได้ทําทานถ้าเราไปภาวนาเพราะถ้าเราไปกังวล น, นี้การทําบุญ น, นี้ทําทา น, นนี้อาจจะมาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาได้เห็นไหถ้าเราไปภาวนานี้เราทิ้งเรื่องการทําทานไปเลยไม่ไม่เวลาเราไม่ไ ม, ไม่ในภาวนานเราสะดวกที่จะทําทานแล้วเราค่อยมาทําทานต่อก็ได้หรือทํา ท, ทานล่วงหน้าก่อนก็ได้ ให้เ ร, เราทำาันละร้อยบาทแล้วเราไปทาเราจะไปภาวนาศิบวันก็เราทำพันบาทไปเลยทีเดียวทั้งเดียวก็ได้ได้ทำทานเทาน่ทากัานอยู่แล้วคุณนัดครับเมื่อวานวันพระได้ทำให้จิ้งจกตัวหนึ่งตายโดยไม่ได้เจตนาขณะนั้นรู้สึกตกใจได้วิตกกังวลกลัวจะเป็นบาปแต่ก็บอกตัวเองว่าเราไม่เจตนาครั้งหน้าจะหยิบจับสินใดให้ระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้น แล้วชาตนี้ก็ได้ใส่บาตรอุทิศบุญให้เขาทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วไหมครับถูกแล้วถูกแล้วไม่มีเจตนาไม่บาปแต่ก็ไม่ควรจะทำให้มันซ้ำซากปป้องกันได้ก็คนจะป้องกันนะคุณเอกชัยครับเราจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้ตกนรกตอนตายแล้วครับอ๋อต้องทาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นอยู่คืออย่าทำบาปพยายามรักษาสีหน้าให้ดี ถ้ารักษาสี่ห้าได้แล้วไม่ไปไม่ไปอบายอย่างแน่นอนไม่ไปตกลรโกอย่างแน่นอนคุณปุ้ยครับช่วงนี้งานยุ่งคิดเยอะเวลาปฏิบัติมีแต่น้อยลงเพราะแบ่งเวลาไปพักสมองอย่างนี้แปลว่าไม่เข้มแข็งทางศรัทธาไหมครับ <c oughs> เพราะถ้าเป็นการทำกิจเหนื่อยก็ไม่ได้พักสมองมีแต่เร่งปฏิบัติครับความจริงการปฏิบัติก็เป็นการพักสมองพักจิตใจ เวลาทำสมาธินี่แล้วก็ต้องการหยุดหยุดความคิดนีวิธีพักสมองที่ดีที่ก็คือการปฏิบัติสมาธินี่แต่เนื่องจากเราไม่มีสติพอที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เราก็ต้องอาศัยอย่างอื่นมามาพักสมองแทนเช่นไปดูหนังฟังเพลงจะได้หลืมเรื่งที่ทำให้เราเครียดจากการงานไปชั่วคราวแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นการพักสมองเป็นการเปลี่ยน ใจก็ยังต้องมาคิดอยู่ของเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องอะไรอยู่ไปส่วยพักสมองพักใจด้วยการไปภาวนาดีกว่ายัางสมาธิได้จะดีกว่าจากดรอทินกกรครับฝึกสมาธิและพิจารณาในระดับใดจึงจะสามารถลดละอวิชชาเพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้นได้ครับต้องพิจารณากายและจิตเองเพื่อให้เกิดความจางคลายหากเรายังละอวิชชาเองยังไม่ได้แทน ได้หรือไม่ครับคือ ว, วิชานี้ก็คือการไม่รู้จักไตลักษ์ไม่รู้จักปริยสัตว์สีนั่นเองอย่าถ้าเรามองอะไรแล้วก็มองเห็นว่าเป็นไตลักษ์ได้เราก็จะสามารถละวิชาได้ไปตามลําดับเช่นเห็นเงินเห็นทองก็บอกว่าเป็นไตลักษ์มันไม่เทียงมันจะทําให้เราทุกข์ได้เวลาบันหมดเนี่ยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเพิ่มกันนองหรือเพิ่มให้น้อยที่สุดใช้เงินให้น้อยที่สุด มนก็จะทุกน้อยเวลาที่เราไม่สามารถพิ่งมังินทาได้อันนี้ก็คือการต้องเห็นอนิจสัตว์เห็นเห็นตายรักนี่คือการละอวิชชาไม่ว่าจะอยู่กับเรื่องใดทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นไตายักทั้งหมดร่าง ก, กายก็เป็นไตายรักจิตของเราก็เป็นไตายรักเรามองมันเห็นรูอเป่าว่ามันเป็นไตายรักถ้าเห็นแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดมัน ไหวให้มันเป็นไปมันไม่เป็นัไม่เที่ยงก็ต้องยอมแล้ ว, ว่ามันไม่เทีย่ยงอย่าไปหยากให้มันเที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์คุณต้นอ้อครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าการจเจริญสติสมาธิถึงระดับไหนถึงจะพร้อมเข้าภาวนาครับออภาวนาได้ทันทีเลยเป็นแต่ว่าจะสงบแล้วไม่สงบก็ดูไป ถ้าไม่สงบก็ลดเข้นมาเดินเดินจงกรมจันรจิตไปก่อนหรือนั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แต่ต้องสวดแบบมีสติคือไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพอสวดไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าใจเบาลงเย็ยนลงก็ลองนั่งสมาธินับตาดูลมหายใจเข้าออกดูว่าดูได้หรือไม่ถ้าดูได้ก็นั่งต่อไปถ้าใจก็จะเริ่มสงบขึ้นไปตามลำดับ อาจารย์ครับถ้าความหมายของภาวนาของท่านผู้นี้อาจจะไม่ได้ทำนองที่ว่าไปปรีกวิเวกอย่างนี้จะรู้ตัวได้ยังไงครับอาจารย์ก็รู้ว่าสถานที่ที่เราปฏิบัตินี่มันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราอยากจะได้ผลมากกว่านี้เพราะอยู่ที่นี่มันมีอุปสรรคเวลาอาจจะไม่ไม่พอมีอุปสรรคจากคนจากเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวก็เลยอยากจะออกไปปรีกวิเวกอยู่ไปอยู่คนเดียว มันไปขึ้นทางด่วนถ้าขับรถอยู่ใต้ทางด่วนมันรู้ส็กมันช้าติดไฟแดงติดรถรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถกลับรถอะก็ลงขึ้นทางด่วนดวนูพอขึ้นทางด่วนแล้วมันนลกนมันมน่อไม่มีไฟแดงไม่มีการกลับรถไม่มีสียกมันก็จะทำให้ไปได้เร็วกวา่าอันนี้ก็ะจะรู้เองถ้าเราไปปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่า ถ้าเราปฏิบัติอยู่ในสภาพนี้มันก็จะได้ท่านี้ถ้าอยากจะได้มากกว่า น, นี้เราจะต้องมีสถานที่ที่สงบสงบสมิเวกกว่านี้นนคุณสราวุธครับไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านจะได้บุญเท่ากับอยู่ที่วัดไหมครับคือผลของการปฏิบัตินี้อาจจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าที่ไหนมัน มันให้ให้ผลดีกว่ากันบางทีไปที่วัดก็วัดขึ้นอยู่กับวัดวัดไหนถ้าวัดไม่สงบมันก็เหมือนบางทีอยู่ที่บ้านมันสงบกว่าก็อยู่ที่บ้านจะได้ผลดีกว่าแต่ถ้าไปวัดไปวัดที่สงบกว่าที่บ้านโอกาสที่จะได้ผลมากกว่าก็เกิดจากการไปปฏิบัติที่วัดมันก็ดูที่ที่ความสงบของสถานที่ความสงบของสถานที่มีมีส่วนที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานี้ได้ผลมากน้อยต่าง ไในความสมดุลบ้างน้อยต่างกันไดคุณมาร์กสีครับอาผู้ชายเป็นพุทธ ศ, ศาสนิกชนที่ดีรักษาศีลทาบุญปฏิบัติธรรมเคร่งครัดเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมเป็นประจำปัจจุบันอายุ93ปีเป็นโรคสมองเสื่อมจําใครไม่ได้เหตุใดจึงเป็น เ, เป น, นเช่นนั้นครับเป็นเพราะเรื่องของการสมองเสื่อมนี่ไหมเรื่องเรื่องของร่างกาย ร่างการมันก็ต้องเสื่อมไปอวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมได้แต่ละคนมันก็เสือเส่อมมากเสื่มน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าการหลงหลืมนี่มันอาจจะเกิดจากการมีสติมากสติน้อยถ้ามีสติน้อยก็จะหลงหลืมได้ง่ายกว่าคนที่มีสติมากกว่าดรธินกรครับ ต้องฝึกสมาธิวิปัสสนาระดับใดถึงจะละอวิชาได้หากฝึกจากการพิจารณากายใจเองก่อนจะสาะมารถละได้ไหมครับก็ต้องละกับสิ่งที่เรามีอยู่ ต, นตอนนี้กอตอนนี้เรายึดติดอยู่กับอะไรเราต้องละให้ได้ถ้ า, ายังยึดติดกับครอบครัวอยู่เราก็ต้องละครอบครัวให้ได้ต้องไปย์ปแบบพระพเจ้าเนี่ยทิ้งครอบครัวไปบวช อันนี้ก็ละเพราะต้องเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นปลายักเป็นทุกข์อยู่กับครอบครัวแล้วก็จะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปไปบวชงั้นต้องต้องละไปลา ก, กับสิ่งที่เรายึดติดอยู่ลาสิ่งที่ว่าสิ่งที่เร า, เายึดจิตจะทําให้เราทุกข์เวลาที่มันจากอราไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปในเวลาไม่ได้เป็นไปตามทางที่เราต้องการมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็จะต้องลาสิ่งเหล่านี้ การมีวิชาก็คือการไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เนี่ยนะต้องมองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เห็นว่าเป็นไตรลับที่มันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมีมันดับได้มันสูญจากเราได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราถึงเรจะถือว่าเราเริ่มละวิชชาได้แต่จะละวิลวิชชาได้จริงๆเราต้องปฏิบัติตามที่เรารู้ไม่ใช่รู้แล้วก็ยังอยู่กับสิ่งที่เราเราเห็นว่าเป็นลเป็นทุกข์อยู่ คุณสระวุฒิครับทําไมความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านของสังขารจึงนําม า, านําเอาความทุกข์ความเศร้าหมองมาให้แก่จิตใจของเราครับเพราะเราคิดด้วยความอยากอยากให้มันเที่ยงอยากให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้เราควบคุมบังคับได้พอไม่ได้มันก็เลยทุกข์นั่นเองแล้วไม่คิดตามความเป็นจริงว่าของมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็ปล่อยก็ให้มันไม่เที่ยงไป มันเป็นอนัตตาเราควบคุมบงังคับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปบังคับเขาอย่าไปให้เขาทำตามใจเรารเราก็จะไม่ทุกข์ <c oughs> คุณวันิดาครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรู้สึกว่าอะไรอะไราก็ไวยไปหมดจนรู้สึกเหนื่อยควรยึดหลักอย่างไรให้อยู่เป็นสุขครับก็อย่าไปอย่าไปยึดติดกับการเปลี่ยนแปลง ไปยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงไปอยู่กับการเปลี่ยนแปลงไป <k> uh> มันก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์พราเราไปยึดกับสิ่งที่สิ่งในสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเราก็เลยทุกข์ <c oughs> นั้นต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมมันได้ก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่ปรับใจเราให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไม่ทุกข์ต้องรู้จักปรับใจ คุณองุงหุ่นเปรี้ยวครับการบริกรรมพุทโธพุทโธความคิดยังแวบเข้ามาเป็นครั้งครั้งแต่การกําหนดลม จ, จิตเราจะพิจารณาถึงลมเข้าลมออกทำให้นิ่งและได้สมาธิง่ายกว่าบริกรรมคิดอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะก็แล้วแต่เราว่าอย่างไหนที่ทําให้ใจเราสงบล้วก็ทําแบบนั้นไปใช่แบบนั้นไปแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบริกรรมแล้วไม่ไม่คิดอะไรก็ได้บางคนต้องดูลมแล้วถึงไม่คิดอันนี้ก็แล้วแต่เฉลี่ยช่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน ว่าทำการก็คือขอให้มันทําให้ใจเราสงบได้ก็ถือว่าวิธีนั้นก็ใช้ได้สําหรับเราดูที่ผลผลที่ก็คือเราต้องการความสงบต้องการสมาธิคุณลังสรนครับอยากทราบความสําคัญของวันตักบาตเทโอที่คนขอนำเข้าสารอาหารแห้งไปทําบุญกันครับเป็นเรื่องสมควรที่เราควรหาโอกาสไปตักบาตเทโวโอไหมครับ มันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งมันเป็นการมันรำลึกถึงวันที่พระเจ้าได้ลงสเสด็จลงจากสวรรค์หลังจากที่ไปเปิดพระพุทธมารดาอยู่สามเดือนด้วยกันหนึ่งพรรษาแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็เดินลงมาจากบันไดสวรรค์แล้วก็ญาญายมณีเนื่นนอจากว่าไม่ได้พบพระเจ้าสามเดือนก็อยากจะทําบุญกับพระเจ้าก็เลยแห่กันมาเยอะแยะมาใส่บา ทีถ้าถ้ามาทมําบุญกันทีแล้วเยอะๆล้ว เ, เอาของส่วนมากก็กินไม่หมดของก็จะเสียเพราะเรานี่ยมเอาถวายของแห้งไปของที่เก็บไว้ได้เข้าวสารของแห้งเื่อที่เวล า, าพระรับบิณบาตแล้วทาว่าก็จะเก็บไว้ได้เป็นวันไหนบิณฑบาตไม่มีอาหารก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งนี่มาทําอาหารถวายพระแทนกันได้นี่ก็คือมาที่มาทำไมเราถึงถวา ย, วายพวกข้าวสารอาหารแห้งกัน เพราะคนทำบุญกันเยอะในวันนั้นเพราะเชื่อว่าไมได้บุญมากในวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จลองจากสวรรค์แต่ตามความจริงของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นไปหรอพกพราะพุทธเจ้าส่งกระแสจิตขึ้นไปแสดงธรรมตัวพวุทธมารดาที่เป็นกายเทพอยู่แต่ร่างกายพระพเจ้าก็อยู่อยู่ที่บนโลกนี้แล้วก็ออกเสด็จออกบิณนธบะ ท, ทุกวันครับแต่คนไปเชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้าลงมาในวันนี้ สามืนไม่ได้ใส่บาตรเขาพุทเจ้าเลยวันนี้ต้องรีบทาบุญกัไหน่อยเนี่ยเท่านั้นหนั้ในความเชื่อไปนั่นเองไม่มีอะไรมากมายไปก่อนนั้นครับคุณบุญกู่ครับพระธาตุของพระอรหันต์จะเกิดหลังจากที่ท่านมรณาภาพไปแล้วใช่ไหมครับอยากทราบเพราะว่าเห็นมีบางคนมาแอบอ้างครับก็ไม่ทราบหรอกท่านไม่ท่านไม่ตายจะาพระธาตุเอากระดูกท่านออกมาดูได้ไง กองรอให้ท่านตายก่อนแล้วเวลาเผาแล้วบางชิ้นบางส่วนไม่ใช่ทั้งร่างกายจะเป็นพระาธาตุไปหมดก็จะมีบางชิ้นบางส่วนกลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระาธาตุไปก็มีคุณมาริสาครับธรรมะที่รักษาเราคือสติใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์สติและปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่รักษาใจเรา คุณสำรวยครับทำสมาธิแล้วจิตตกลงไปอยู่ที่ตัวรู้เฉยเป็นอุเบกขาในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตเป็นแค่ขณะจิตทําชั่วคราวครับแต่ทําไปต่อไปก็เจอสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นกับจิตทําอย่างไรจะให้ก้าวหน้าต่อไปครับก็ต้องทําแบบนีสติก็ต้องนั่งนงดูลมต่อไปแล้วพุโทโธต่อไปโดยที่ไม่สนใจกับอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา คุณมดครับผมนั่งสมาธิกําหนดสติอยู่ปลายจมูกนั่งได้สักพักหนึ่งแต่สติไม่ได้ไปลายจมูกเหมือนเดิมเหมือนมันวูบไปอย่างนี้ผมทําถูกหรือไม่ครับหรือจะต้องกําหนดสติอยู่ปลายจมูกตลอดเวลาของการนั่งสมาธิครับก็นอนมันอยู่ที่เดียวตลอดเวลาอย่าให้มันไปที่อื่นมันไปที่อื่นก็เดึงมันกลับมาให้มันอยู่ที่เดิมคุณองังหนุนเปเรี้ยวครับ การทำโรงทานที่หมดทุนเยอะเพราะเรากลัวคนกินไม่พอไม่ได้ลงทุนเพราะต้องการบุญเยอะเราคิดว่าการต้องการบุญยังเป็นกิเลสอยู่คิดอย่างนี้ถูกต้องไม่จ้าค่ะการทำบุญการอยากทําบุญนี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นเป็นธรรมมันทําได้อยากจะทําบุญเท่าไหร่ทำยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีบุญนี้ไม่ไม่มีไม่มีโทษการอยากทําบุญนี่ไม่มีโทษการอยากทําบาปนี่ยเป็นโทษ <c oughs> คุณหญิงครับการตั้งใจอ่านหนังสือเรียนสามารถทดแทนการนั่งสมาธิได้ไหมครับเพื่อฝึกสมาธิมันมันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าการอ่านหนังสือนี่มันใช้สติที่ยังต้องใช้ความคิดอยู่อ่านไปก็ต้องคิดไปตามหนังสือที่เราอ่านอยู่ก็ยังจะทำให้ใจเราสงบไม่ได้ต้องอ่านแบบที่ <c oughs> ที่เราไม่ต้องใช้ความคิด ถึงจะทำให้ใจเราสงบได้ช่นั้นแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธคำเดียวคุณเอ๋ครับถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ค่อยได้มันยังไม่นิ่งแต่ชอบฟังพระเทศใจมันนิ่งมากกว่าใช้ได้ไหมครับก็ใช้การฟังเทศไปก่อนพอเทศจบแล้วเรานั่งสมาธิต่อเูองอย่าเพิ่งเล คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับทำไมการปฏิบัติธรรมจึงได้บุญมากกว่าการทาทานเจ้าคะความสงบความสุขใจมันได้มากต่างกันเนี่ยทำทานนี้ได้ความสุขสมบของใจน้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็น้อยกว่าการทําสมาธิการทําสมาธิก็น้อยกว่าการทําปัญญาทําให้ใจสงบมากต่างกันไปคุณเพชรตะวันครับ ธรรมะสอนปล่อยวางทางโลกเราต้องพัฒนาขอคําแนะนําครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการไปทางไหนถ้าเราไปทางโลกเราก็ไปพัฒนาทางโลกถ้าเราต้องการไปทางธรรมล้วก็ไปพัฒนาทางธรรมเราก็ต้องที่ทางใดทางหนึ่งแล้วทางสองทางนี้ไปด้วยกันไม่ได้คุณสมพรครับ ภาวนาคือการทําสมถะสมาธิกับการเจริญปัญญาด้วยการทำวิปัสสนาเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับถูกต้องแล้วเนี่ยฟังมาต้องหลายเดือนเพิงได้เข้าสรุปวันนี้นะ <c oughs> สมถะภ า, าวนาคือการทําสมาธิว <c oughs> ิปัสสนาคือการทําปัญญามันยากเหลือเกินเนะนี่ยท่าธรรมะนี่มันยากเหลือเกินเข้าใจยากขนาดนี้นะ คุณเพนครับตักบาทโดยนําเงินใส่ซองใส่ไปในบาทพระด้วยผิดไหมครับคนใายไม่ผิดหรอกแต่คนรับนี่มันผิดพระวินัยท่าไม่ให้รับของกับมือต้องให้ฝากไว้กับลูกศิษย์เท่านั้นเองมันก็ผิดแค่พระวินัยวิธีการรับมันของพระต้องพระท่านไม่ต้องการให้พระจับต้องเงินทองไม่เก็บเงินทองไว้กับตัวเองเพราะมันเป็นอันตรายเพราะว่าคนจะขโมยได้ แล้วมันก็จะทําให้พระกิเลสมาม า, มาหลอกเอาเงินนี้ไปใช้ได้ง่ายถ้าพระอยู่อยู่กับตัวพระเองเวลาให้ฝากไว้กับโยมเวลาจะไปซื้อของกิเลสโยมก็อาจจะถูกโยมถ้าว่านี่เป็นกิเลสนะหลวงพี่ซื้อไปซื้อบุหรี่นี่ไม่ถูกนะนี่ก็เลยทั้งให้ไปฝากไว้กับคนอื่นเผื่อเวลาจะใช้จะได้มีคนอื่นคอยตรวจสอบคอยห้ามเอาเงินที่เขาถวายนี้ให้ไว้เพื่อสัมมาะบริโภคหรือให้บริโภคปัจจัยสี เช่นถ้าขาดอาหารไปซื้ออาหารมากินขาดยารักษาโรคไปซื้อยารักษาโรคได้ถ้าอยากจะไปซื้ออย่างอื่นที่มันเป็นกิเลสไม่ควรจะไปซื้อความหมายอยู่งนแต่ถ้าเก็บไว้กับตัวเองไปซื้ออะไรก็ไม่มีใครรู้คุณนโมครับบารมียังไม่เต็มหมายถึงอะไรครับก็เหมือนน้าที่เราเติมยังไม่เต็มตู เมื่อบรารมียังไม่เต็มมันก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราได้มีคุณใบ ย, ยกบอกว่าลูกศรอาจารย์แบบไม่มีข้อกังขาเลยเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ศรัทธาที่องค์หลวงตามหาบัวพอท่านลักสังขารลูกก็ดูใน YouTube หลายช่องแต่ไม่ลงใจจนมาเจอพระอาจารย์บังเอิญกดฟังใจลงจอดตรงนี้เลยเจ้าค่ะ คำถามหาคาถามสุดท้ายก่อนนะครับอาจารย์ล้มครึ่งพอดีอ๋อสุดท้ายนะครั บ, ารบอาจารย์ครับคุณอาพรครับคนเป็นเกย์บวชได้ไหมครับมีโอกาสได้มากผลไหมครับไม่ทราบว่าพราะพิณ น, นี้เขาห้ามไม่ให้รับเกย์เข้ามาบวชหรือเปล่าเขอกเขามีคาว่า สมัยก่อนเขาใช้คําว่าอะไรนะมันเดาะนะคนที่เป็นมันเดาะนะมันเดาะนี้ไม่ทราบเป็นเกยหรือเปล่าแต่สมัยนี้เขาก็มีการให้เกย์มาบวชเพราะถ้าเราไม่ไปประกาศว่าผมเป็นเกย์้ า, าก็ไม่รู้คนที่จะมารับเราบวชเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเกย์หรือไม่อันนี้ก็ก็เห็นมีการบวชกันมีข่าวข่าวอยู่ในสัมมเนรที่มาบวชแล้วก็ทำตัวแส่งทาแต่งหน้าทาปากกันอะไรทำนองนี้ แต่โดยโดยโด ย, โดยความจริงแล้วไม่ควรจะบวชเพราะว่าพาต น, นี้เป็นผู้ชายแล้วเกเ์นี้ชอบพวกผู้ชายด้วยกันแล้วเวลามาอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาทางด้านทางเพศได้ก็เลยต้องแยกออกจากกันเพราเกเรก็เหมันมืนก็เหมือนคำว่าร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงอ่าครับแล้วใจเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงมาอยู่กับผู้ชายที่เป็นพราเดี๋่ก็ยุ่งนะเนี่ยดี๋ยวกเกิดเกิดปัญหาขึ้นมา จะทําให้ผิดประวัติชีขึ้นมาได้ไปทาไปร่วงเพศกันอย่างนี้ก็เลยก็เลยไม่ให้ไม่ให้บวชแต่เราสามารถบรรลุมรรคผลได้โดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้หรือบวชเป็นภพระขาวก็ได้เป็นอุบาสกไปถือศีลถือศีลแปดไปแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เหมือนกันบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันแต่อาจจะบวชไม่ได้เพราะมันอาจจะมีข้อห้ามอยู่ตรงนี้ ไม่น่าใจต้องลองไปทานพระที่เราจะไปบวชได้บวชว่าบวชได้แล้ไหมก็อาจจะบอกไม่เป็นไรบวชได้ก็บวชไปอันนี้เราไม่น่าใจครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o เจ็ดร้อยหกสิบสองคนครับใน y o u t u หกร้อยสิบห้าคนในครับเฮาส์ิบคนครับวันนี้มีคนฟังธรรมอยู่ด้วยกันหนึ่งพันสาม้อยแปดสิบเจ็ดคนครับพระอาจารย์ครับ ตอนนี้เอเช่นเกมหมดไปแล้วมั้การกีฬาหมดแล้วเ น, <c oughs> นี่ยข่าวพ่อนกลังทำอะครทำทํมต่อก็ดีเห็นว่าไม่ทิ้งกันอาจจะไปบ้างเป็นบางช่วงบางคราวก็ไม่ว่ากันถ้าว่างก็ลองมาฟังธรรมพราะการฟังธรรมนี้มีประโยชน์กับการฟังด้วยการดูอะไรต่างๆเพราะการฟังธรรมนี้จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้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 ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เป็นเพลงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอจเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ